พระธรรมเทศนาจากดกเกลื่องนางนวลคำภูติสิบสองเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมเมืองเจียงตุงโดยปออินสมชัยชมพูปเปลี่ยนทำหกประโยชน์และทำเอกอดีตเจ้เาคณะจวบเจียงไยอมุตาาตสภากวโตอะราโตสัมมาสัมพุทตะ สัพตเมติวะเสปารีปุเณวิเตหราชตีสาธโวดุราส ป, ปุริจาตั้งลายผูคานิ่งไมยใขผ้าพ้นเสียจากโกคั้งสงสาร ถึงนิพานสุดยอดตกดับวอดหายหุนจริงเอาตนเจอหมูเข้ามาสู่อารามแปลงใจงามตั้งต่อเพื่อสร้างก่อสมปานมีหืตานเป็นเก้ารักษาสินเล่าตวยมาภาวานาใจจอดคานิงรอดพุทธคุณย่อมเป็นบุญปานปอ ดังปวกก่อหังมันแล อ, อกปะกันพร้อมนามาหนังท่าฟังทำจุงดาจําติดต่อตามบาทคอบาลีวาสัตตาเมติวะเสดังนี้เป็นต้นบัตนีแ ด, ดเต สัตตาเบติวเสกันเจ็ดวันไขแล้วเต้า ต, าตนแก้ววิเตหราาจักอุตสาพิเศกอติเรกทุนขันแห่งศิสุพันนอเน า, น า, น า, นาก็าหือหมอเทาโหราปุรโรหิตาผููใหญ่มานังไก่ใส่สีเก่ากำดีถวายโจกตามหุนโลกโบราณ พระมานาจารผู้ชาลาดก็อโอกาสกำไปว่าอจจะเศษรษฐโออาจจะใจโยอาจจะมังกาโลดังนี้เป็นเก้า ว, ว่าวันนี้ละวันนี้เป็นวันสลีจมโจกวันหายโศเก่องกาวันพระญานั่งเต้นวันมันแก่นเรื่องไร เป็นวันใจเจากว้างวันนั่งจ้างผ่า ป, ป่าราไฟเส้นนีนาวิเศษมาจากเขตเหมืองพร้มเป็นไฟอุดมลำเลิศบังเกิดสสดี หายเครื่องขีมมนไม่หายเหมยไขโรกาบัดนีนาะขาเทาจักมัดมือเจ้าเอาควันเอเรียวปัน้นหายโศกได้จมโจกมีใจควันสายใจเว่นฟ้ายาอยู่ป่าดงดอนยาอาวนตกค้างอยู่ป่ากว้างเด่นดงเยี่ยวผีพงยักษ์ยจักต้องพายราวี ตั้งเสือมีตัวหยาบจักกันกาบเอาไปขวัญใส่ใจนอไทยอย่าหลงน้ำใหญ่สะกรเย้่มัมก่อนตัวกาจักกับก่าไปกิน ควันสายนารินกินกู้ย่าตกอยู่เวหาเนี้วลมมาปัด่องบอกหูจองแดนได้ควันสายใจนอเน่าจุงปอกเตามาปัน่น มาอยู่หอจันภาษาสกับเตา้าธีราปิตากับนางพญ า, าเจ้าแม่และเท่าแก่ตานาย้าตีหลายหนุ่มเท่ามาอยู่เฝ้าเป็นปริวานโอจานาอาหารหลายสิ่งรสยิ่งหลายอันตังหัวมันลุกไม่มีบ่ไรเหลือหลายขอ เ, เชิญใส่เจ่องเจ้า มาสวยเข้าเรียวปั้นยาติดวันซอไซ ย, ยังดอกไม้ในดงในหอโคงภาศาตแห่งเต้าทิราชปิตามีบุพพาหลซา้ำวันดาพัมลายสีพงบานดีกีอากันทักกว่าเอาใจขอสีน้องไว้หนอไทยจุงมาเลือกใส่เอาจม ปักแซมผมมิงแก้วผาดับแล้วดูเพึงควั น, นางอย่าลื้งต่างดาวจุงฟังเป้ามามารามานาผู้เท่าเรียกควันเจ้าดวนำคำไรยังกำบ่ด้อยริรำถอยไหลภ า, าการก็มีหันเลยนะ ขาดนั้นผาญยาวิเตหราชยาสะอาดหรือซากอง อ, อุจสาพิเศษอติเรกทุนวันแห่งหนอขุนทันนุมเนาคือว่าเจ้าตาสะวราหนอพุทธติไวยหืออยู่ไกลปิ่งแป้งกับนางคำแดงหลอ่อเบางา้มบ่อเศร้ า, าวดวนคำแล้วหือ้อคนหน้านำหน่อยใหญ่ เือไั่ไตยยิ่งใจเสนาลายหนุ่มเทาใดปอกเตาเฮือนตนก็มีหันเลยนะในกาละนันพีมะเสนาปีเบาวนิ้นโคดเทาเหลือใจพิจาราณาในทวนทีว่าบ่แม่นตีกองทม นางดวนคำน้องลากวนแก่เจ้าฟ้าสุริยะราชา้อนไดดาปอยใหญ่กินแขกไข่ตั้งเมืองคนดันเนืองสะสูหากไดหัวเล็งหันยักษ์ดองตันอยาบจะมากลุ่มกว่าป้าดีละขวดีขว่างไวล้ละปปอยใหญ่เสียได ปูนดีอายแต่เหล่านังนอนเ n o ขึ้นมาพระพิตาตนป่อป้อยปั่นนอนนังงามแก่ใจรำตามต้อยเตียงเป็นยักถอยทแถลงเป็นหรือผีดงเย็นพายเพะแถลงเป็ดป่าวาพระพิตาที่ราชบอกขึ้นวาดเหย้าไก่ฟังกำไคเจื่อง บอกเกิดให้และดีรีปันสายสลีนยอดซอยแก่ใจถอยสามานพิษโบราณแบบเบารอยรียดเก่าเดิมมาพีมะเสนาพี่บาร้อนกดเฮ้าปันไฟรีบเป็วไว้ใหญ่บาดขึ้นภาษาดหอคำไรยังกำยับจ้า ร้องดาวาน า, าดาสลีโซภานองเดาดาตั้งเจ้าบุญมีกาะมีหันและนาในขานานันใสตนเต้าไทยวิเตหราชพางศาวสายังย่อนอยู่ในบ่นหอในยินกำไปรอตา จิงฟังฝ้ามาปันสัตหันลูกเต้าด่ายังเจ้าเคยเมืองเต้ายินเครื่องบ่โนยจิงเกาท้อยกำไปว่าสสยใจลูกป่อยาด่าย้อจะาลายกวนดีไอ้ไพ่ฟ้าดังเปิดผ้าคืนหลังตั้นจักจังตั้งหมูก้อยอูฟปู่จากกัน อย่าจะดันขอนหาพิษรีเต้ากองเมืองนางบุญเรื่องนอไทยบ่มักไฟใจใดเต้ามีใจไฟหอ ย, ยกับเจ้าน่อน่ อ, นอยบุญควางอันป่านางน้องเนาปิกปอกเขาเวียงใจเพียบเตรียมไปน้องแก้วแม่นตายแล้วขึ้นมาคนได้ยาหื้รอดกวนยกตอดวางปัน ส่วนเจ้าหอจันสุรินญาาิได้กากาเสียนางกอตุมบังสะตอดบ่คือรอดอะไรนางตกไปป่าไม้บอสอส่ซะใสขึ้นมาคนใดจากวรใดยังกแกอแก่นไทยแปลงเมืองเต้าบุญเรื่องวิเตหาราชโ อ, อวาตรเจียนจ้า แก่ผีมาเสนาลูกเต่าหื้อเก่าลายพระการกอมีหั่นและนะเมื่อนั้นพีมาเสนาหยอดยาวซ้ำโคตเท้าป่านไฟไค่กำปั้ต่อตาซึ่งเจ้านอลาบุญมี ว่ากันมึงบ่อนีลาภากออกไปจากเพียงใจจุงเร็วไวลงล่างกูจากควางหินผาอันนักนาใจจ้าเฮอตกจากฟ้าเร็วปัน แม่นมึงผันรับได้ยังก่อนใหญ่หินจ้าดังพาญาสุริญยราเตจะอาจหรือนั่นกูจริงจักปันนางน้องหฮืออยู่รวมห้องมึงไปกันบอกไว้เนินจ้ากู้จะฆ่ามึงตายมึงอย่าไมา่ได้อยู่กับกินกูนวนคำกันไข่คำเสียงขาดก่อไน่บาดเร็วไว รีบลงไปจากห้องกักมือร้องมามาหนอปุ ธ, ธายยศใหญ่บอกกฎไม่เครื่องขี่หน้นาตาดีจืนเยาเรีบฝังฝ้าตัวไปกันถึงไหนว่วงกว้างหนอเจ้าจ้างพิมะเสนาก็ะคว้างผาก้อนใหญ่กว้างและนาใดพปว่า ขึ้นเวหาฝากฟ้าปลอมเมฆฟ้าไปบนก้อนหินหนไหววาดจากอากาศลงมานอปุทธาตนเอกอ้างบ่อถอยห่างพระนีซํายินดีจื่นสูหกขึ้นสู่เวหาหับเอาหินพาก้อนใหญ่อุ้มหอบไปกับตน ลงจากบนบอดจ้าวางต่อนาเร็วพันมันก็กำพันไหววาดขวางขึ้นอากาศหลายตีเจ้าบุญมียศใหญ่ก่อับได้หลายหุน จุมม่มหมูค้นหอร้องสนัันกองนันเนืองมันซ้ำเครืองโคดใหญ่ดังไฟไหมลอมข้าว่ามึงนี่นาอยากจะแม่นยักปาทแถลงเป็นครือผีดดงเย็นอยากไรจักมาไล่กินคนมันผัดมนขวางดาปอสาราสายตานอพุทธานยศใหญ่ถอดดาบใดบัดเดียว ทางคนเรียวฟันฝาดไผ่บอ่ออาดฟันไผ่ดาบคมใสถูกดาบแสงวาววับต่อตาเสียงดังมาทิ้งทองสนันหันกองสองหูจุ่มคนดูโยกไกเหือไครในตั้งคิงเจ้าบุญปิ้งนอนลาบ่อวังคามันตายเต่าจักไม้ด้วยดาบเลือดอาบกัญา ตั้งสองขาเร็วแหลนสองเจ้าแกว่นเสมอกันไัยบอ่อฟันไัยใดตาวนไกลลงแรงเจ้าจอมแป้งตนองอาจกำดาบบาดเร็วไว ด, ด, ดาบคมใสดาบแก้วก่อหลุดแล้วเสียมือตนบุญลือบอ่อจ่าลบดาบกาเร็วปันเต้นพัดพันเข้าไก่กำคอมันไว้บัดเดียว แล้วบิดเหลววัดวาดคุณห้าหาดพิมาเสนาผู้ป่าละอาจกากรความนาเป็นพีฝูงคนมีตัวดาวหอร้องเศร้านันเนืองเจ้าบุญเรื่องยศใหญ่บังเกิดได้คนนาจริงตกยาเข้าใส่ มันลุกใดบัดเดียวบ่อจะเเลียวต้านต่อบ่อปากหล่อคนใดสองตาใสมามาบมือถือดาบคมบางอย่างเตียวตั้งบ่อซื่อข้างหืหนีไปออกเวียงใจแต่ต้องคงเขตทองเมืองตอนรีบเตียวห้นดันสอด พดไปรอดเมืองมีทิลาไขรขีญ่ญาโอกาสแก่เต้าสุริยราชผู้บ้านเฮยหยกโยทหารเรื่องราบมารบผาพเมืองตนก็มีหันแลยนะ ธามาทังประกาศเซ้นตัวศัทธ า, า, าสัทธาอันวาสพปัญญูตนเป็นคู่แก่โลกันอาพกบาลีบทหลังมีไปแจ้ง พระจิงแสงเตะศานาวโสปปักนตวานามีทีลาระทังกันตาดังนี้เป็นตนพิกข้าเวดูราพิคคู่ทรงตนทารงสินใสบ่อเศร้า เจ้อโคตรเงาอริญาส่วนพิมะเซนาญศใหญ่กานนองไทยเคยเมืองมีกำเครืองลายลากรีบหนีจากเมืองตนออกเต้วหอนฟังฟ้าออกไปสู่ดาวมีทิลาไขาขีญยาบอกกก่าแก่ตันเต้าสุริญราชใจหานวานังนงคานแห่นแก้ว งามเลิศแล้วนวนคำอันญักดงดำหยาบจ้ามากลุ่มกว่าป่าไปตกดงไผป่าไม่บัดนี้ได้ขึ้นมากลับมาดาวาใจหนุ่มสีนาจุ้งมีวันอยู่จอมกันบอขาดในภาษาผังกา มันน น, นาใจเจ้าเตจะจ้ากาเรื่องไรบอมีไผยภับใดคาม่าไามนไม่นำนาจริงจักมาบอกเก่ า, าหูข่าตามมีแม่นเจ้าปุรี น, ด น, นอดใหญ่ยังกดไขวัถึงนางมีใจจำใจบอจางยังเบื่อยารังเรือนันไปจุงเรียวไว้ยาจ้า ยกพวกกาโยธาริงไก่กาไปผาพบขานาบตัวมันจริงจักพันเอาใดยังแกอแก่นไทยดวนคำเตียงสมกำไปอ้างบ่อวิตว่างดังออนแหลนา ตั้งสุดตว่วส่วนพาญสุริยราชฟังโอกาสกําจ่าแห่งพิมะเสนาขุนใหญ่ร่อนเอาไม่ไปยในมีหัวใจไววันสะต้านสั่นตั้ ง, งคิงกึศขะดิ่งดันสอดเสียได้ยอดนางงามได้ใจรมถอยไรมาอยู่ไกลปิ่งแปง เสียได้แสงหลอดฟ้าได้ใจตจ่ำใจปาลาบันนันนะาไร่โหดบอกตดถึงตัวกินน้ำหัวก่อนนาะคูจจกฆ้ามันตายนางคิ้งภายยศใหญ่กูคกวรใดเดิมอ่อนมันป้อยหลอนละก่อนแม่นกินตน้นป่าดีโตดมันมีลายลากูจักลากมาฟัน เจ้าหอดจันสุริญราชโคดเท้าหาดเววาบอกเสนาแกนใจรีบสาใสเรียวไว้ตีกองไปเป่ารองไข่เขตทองปาราือเสนามวลหมู่มาพร้อมอยู่เรียวปันเสนายันรีพาวตีกองเป่าพับเมือง โยทาเรื่องน้อยใหญ่หัวแจ้งไขสัญญาต่างรีบมาบอจ้าถือดาบกากับตนฮกวิ่งโยนไหลออกพองถือหอกเป็นหมูพ้องหลากมกจูเป็นสายปากันหลังไหลมาฟันเสียงเนื่องนั้นโหร้องสะนันกองเวียงใจ ยืนใหญ่ใหญ่เป็นตาฟังเจ้าฟ้ า, ขาคคไาข่กำกอมีหันแลยนะกันเสนาหน้่ยใหญ่มาพร้อมไขบัวระมวลกาละกวรมารอเตา้าเจ้ายาอดใจหันก็มีราชองค์การบอกเก่า คือหขูข่าวขีญยาวาดุระเสนาหาันหาท้าบัดนี้นอต้าววิเตหราาคือพิมะเสนาคุณใหญ่ปีนางดาไทยดวนคำได้นำก ร, ร ม, มากล่าวคือหูข่าวตามมีวาา่าใสสลีน้องลาปอกจากป่าเด่นดง ได้ยักโพงเป็นกู่เข้ามาอยู่หอคำริษที่นำวิเศษทาแลงเป็ดเป็นคนจุ่มรีปนไผ่น้อยต่างตำก้อยมองคีใ <c oughs> จโบดีม่อนเศาย้อนยักเข้ามาเมืองเต้าบุญเรื่องตอนป่อแห่งดังนอโซภาจริงฮือพิมะเสนาลูกเกา มาบอกเาราไขปันขอเราเรียวปันดวนหาวไปสู่ดาวปุรีช่วยรบผียักษ์ไรือมันใหญ่เสียเมืองเอานางบุญเรืองงามอาจมาเป็นราชตยาสู่จุงดายาจ้าห้อพ้อมนาจูพักการโยทหันจูผู้หอกดาบกู่กับตน จังมงกลลขายแก้วมาแต่งแล้วอ่านคำรถเกวียนนอย่าคาตั้งมกนาดปืนยาแล้วรีบมาอยาจ่าจอมกุกว่าบัดเดียวไดเตะกันวาดาแต่งแล้วยังพวกแก้วคนหานเต้าผู้บ้านสุรินทราชก่อรุ่ยุวริญาาเร็วไว ขีดจางใจตัวฮาวกับพี่บ่าวพีมะเสนานำโยธามวลมากออกไปจากบุรีโยธามีหลายหมื่นเกยรบรื่นสงครามบ่อเขีงขามรบภาพถือหอกดาบกับตนไปสะสมสะตา์ บบ่ขาดเป็นสายจังปังป้ายร่องแสมายี่เห็นเลืองนั้นปุ่นเป็นควันเบือดกุ้มตั้งแต่ลุ่มถึงบนจุมรีปลปห่อร้องสะดันกองแดนไกแก่งตุงใจก่อนนารีปนกว่าจอมลังคุ้มยาปังแล้วแหลกไม่น้อยแตกเป็นผง ไม่แดนดงเถื่อนทองล่มเป็นจองกองตังเจ้าหอา่อฟังสุรินราชกับขุนหฮาหาดพิมเสนานำโยธาทับใหญ่ไปเจะใจเรียวปันไดสิบวันหลวงแล้วจริงรอดเมืองแกว้ววิเทหนกร เต้าผู้ทอสุริญราชก่อโอกาสสัญญาวาดูราเสนาเฮยมวลหมูสูจุงจอดอยู่เอาแรงนอกกำแพงเมืองใหญ่วังแวดไว้จูปายจอดใหญ่ๆทวนที่ยาเวนตีตั้งใดอย่าอให้เข้าออก กันกูบอกบ่งปันเฮปะกันตั้งหมู่เข้าภาพสูเตจิ้งมกนาดยิ่งยาจ้าหมู่หอกาคมบางจุงดาดางไว้ก่อนยาเอย่อนไปลายได้เจ้าห่อใจสุริยญาตกันโอกาสสัญญาแกโยธาเมียนไข่ก็รีบใส่ลายสาน ถึงหนอบพ่อทียานบุญกวางอันอยู่สร้างไปในว่าดูรจาใจจังไรถอยไรบัดนี้เตา้าไทยสุริยักราชายกโยธามวนหมูมาแวดอยู่จูป้ายมึงเกี่ยงตายมวยหมอดบ่ได้กอดนวลคำแม่นจักดำดินแล่นหลอดใต้แผ่นปฐพี แม่นจักหนีขึ้นฟ้าปอมเมกฟ้าปายบนกูก่อคนองอาจจักขึ้นฟาดลงมาบ่อไก่กานี่รอเตียงได้หมดบำบายการมึงกลัวตายความนาอย่าได้จ่านานไปจุงปันสายใจหยอดซอยงามจืนจ้อยนนคำฮือมึงนำมาไว ที่จิมไกตีนกูกันบอกจูดังกาวกูจากเน่าเอาเมืองป่านั่งบุญเรืองน้อยนาดไปเป็นราชเทวีกันเต็มดีเบียนแลออกก่อือคุณแก้วเตรียมใจรีบนำไปดวนเา้าท่าวายแก่เต้านอโปธิญาณก็มีหั่นและนะ อันวาตาซาวาราหนุ่มเนาหนอพระเจ้าท้ารงญานทันราจจสานร่อนไมแห่งเต้าไทยสุริญยราจา <c oughs> บอกโกธาไว้วันใจตั้งมันสันดีจริงไขวาตีต้านต่อซึงง่งดั้งดอโสภาวาบัตรนีพระญาสุริญยาราติตที่อาจเหลือคน ยกรีปนบากเต้ามาแวดเฝ้าจู่ปลายย้อนใจหมายไขใดยังแกวแก่นไทยบุญเรื่องเอาเมื่อเมืองเสวยราดนั่งเตรียมอาจหอฟางต้นใจนางน้องไทยยังกึดไฟแปงปันพี่บ่อพันจองก้องจักฝอยน้องวางไปแม่ใส่ใจกินกู้หักพี่อยู่แปงปิง บ่อขานิ้งผาคางปีบ่อจังขับจำจักตามกำมักไฟแห่งดองไทยอูอันอันสะลีสุพันน้อยนาดก่ออภิวาตทุนสาวาขาแด่สามีกาเป็นเจ้าข้าน้องเนาดวนคำจากดงดำป่าไม้ยนอนปีไทยป่ามาบ่อผาธนาไปอัาง จากไปแนบข้างใจได้บอกขอไก่พี่เจ้าทาราบต่อเต้ามาราณาอันว่าพาญญาสุริญยาราชข้าน้องนาดเกยหันดังขุ่มพันยากเท่าตัวมวนเส้าเล่นลายเขียวงาภายงองโงงหูดังสรงปุ่นกลัวผมยังหัวงอ ง, งอดหนวดคดขอดเวย า, วาม ทีปุ่มลามต้องใหญ่สักยันใสเต็มตันแม่นพี่ปันคาน้องไปรวมหอ้องปิ้งแตงจุงฟันแตงหลาบซาหือน้องความนาวบวายน้องบอกหมายลีกลี่นี่จากนี้ไปไหนและนาะอันว่าโปที่สัตตนองอาจคือเจ้าหน่อยนาตะสะวารา ฟังกำจ่าตอบถอยแห่งยอดซอยตรงคานก่อแต้มสานตอบข่าวแก่ตันเต้าสุรินราราวสีโสภานยศใหญ่บ่หมักไฟแปงปันกับกุ่มพันุ์ยักษ์เทาอันเป็นเจ้าเมืองไก่บ่มีใจไฟหอยยังเต้าถอยดังยาวเคี้ยวง g a ข่าวป้นปาก พอแล้วหากเหมือนหมัวสรีบุญจูยอดซอยบ่อไปหอยปิญากันเจ้าปาราสุรินญาติยังคืดขวาดทันไกให้อยู่ยืนไปไปนาหย่าได้จ่าเร็วปันจุงป้ากันบวนมูวรีปอกสู่เมืองตนกันเววนแวดเฝ้าจักภาพเข้าแตจริง เอายังยิ่งเว่นฟ้ากูจัก่าสู่ตายฮือบำบายมวยมา่งบอกอข้างคนใดเจ้ า, าจอมไต้เต็มแล้วก็เฮือคุณแก้วเตี้ยมใจรีบนำไปดวนเ้าทะกไหแก่เต้าสุริยักราชาก็มีวันนั้นเลยนะ เนธตังขีณาสังวันน า, นาวิเศษจ่า้องเหตุนาลวนคำผูกสิบสองกอบังกมสมร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแลว